เป็นอา น, นิสงส์งของความเกิดที่มนุษย์เราได้เกิดมาแล้วก็ได้ฟังธรรมกันอย่างน้อยก็เป็นเป็นทางชี้ทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกตลอดถึงดับความเศร้าโศกได้หมดดับความทุกข์ได้ จิตที่ไม่มีเครื่องกังวลและก็สงบเย็นวางเบนจากาศาสวะน้อยใหญ่จนถึงความพ้นทุกข์ได้ก็ลกล่าวคือไม่ต้องกลับมาเกิดคือมรรคผลนิพพานของจิตแต่ละดวงถ้าพวกเรายังห้าม ใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่หลายครั้งที่พอเกิดอะไรขึ้นมาพวกเราก็เวลามีความเสียใจเกิดขึ้นก็นบอกว่าหักห้ามใจไว้บ้างรักษาสุขภาพ อย่าปล่อยให้ความทุกข์มันทำร้ายจิตใจของเราให้มากกว่าที่มันเป็นอยู่ส่วนมากพวกเราเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะไม่มองกว้างพวกเรากลับมองว่าตัวเราเองมัน ทุกมากลำบากมากจริงๆเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะก็มีอยู่ดาษดื่นที่ให้พวกเราพิจารณาให้มองแล้วเอามาไตรตรองสักนิดเราก็จะเห็นชีวิตของ สัต์น้อยใหญ่จริงๆพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขเท่าไหร่ที่จะมีสุขมากมายอะไรมันมีปัญหาเรื่องที่ต้องมากวนใจมากเหมือนเมื่อเช้าก็บรรยายไปว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อ ต่อสู้ในเริ่มต้นก็คือเรื่องของปากท้องก่อนพอต่อสู้ในเรื่องของปากท้องพอได้ให้กับชีวิตที่อยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อความสบายแต่ในระหว่างความสบายที่พวกเราต่อสู้ บางครั้งถ้ามันมากเกินมันวุ่นวายมันไม่ใช่สงบฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าคำว่าความสบายพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขถ้าโยมจับคำนี้ได้นะ มันมีความหมายมากพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขและในความสุขสุดท้ายก็คือความสบายเป็นการมีชีวิตที่ปลอดโป ร, โรง่ง ส, สบายคนเราเวลาถ้ามีความสุขแล้ว มันก็มีความสบายมองอะไรก็สบายตาฟังอะไรก็สบายหูลุกเดินนั่งยืนดื่มอาบเคี้ยวกินมันสบายสิ่งที่มากกว่ากายก็คือสบายใจด้วยแต่ผิดกับคนที่มีแต่ความสบายในทางวัตถุร่างกาย ก็ดูเหมือนความวุ่นวายก็โถมเข้ามาความวุ่นวายนี้โถมเข้ามาโถมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นคนหงุดหงิดฟุง้งซ่านราคาญใจบางทีก็เคริบเคลิมบางทีก็โลเล ฉันั้นในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะความเป็นมนุษย์ถ้าพวกเราไม่เข้าถึงความสุขแต่พวกเราหลงเพียงความสบายนะอย่าคิดว่าจะออกไปจากความวุ่นวายได้อย่าคิดว่าจะพ้นได้ พวกเราออกจากความบุ่นวายไม่ได้ความสุขมันก็ยังไม่เจอสุขที่เป็นไปเพื่ออ ม, มะตะธรรมนะเป็นความสุขที่ไม่ย้อนกลับมาสู่ความวุ่นวายที่เป็นทุกข์ใจอีกโลกใบนี้ แม้แต่เพลงเขาก็แต่งว่าได้อย่างมันก็เสียอย่างแต่พวกเราต้องคำนวณให้ดีว่าในการเสียกับการได้ต้องวัดดูว่าอะไรที่มันมีประโยชน์และคุ้มค่ากว่าบางครั้งถ้าเรายอมเสียในบางอยา่าง แต่ประโยชน์ที่จะได้มันคุ้มค่ากว่าเราก็ต้องยอมเสียก็ต้องยอมก็ดูพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ไม่พิจารณาก่อนที่จะสละ พระราชสมบัติหรือทรัพสมบัติเอาง่ายๆพิจารณาก่อนเพราะพระองค์ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ก็เห็นความแก่เจ็บตายและสมณะพระพุทธเจ้าก็เลยน้อมสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของพระองค์เองว่า เหตุชไหนเรายังยินดีพอใจอยู่กับความแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์อยู่ทำไมเราไม่ออกไปจากความแก่เจ็บตายที่เป็นสภาพทุกข์เช่นนี้เราจะยินดีอะไรกับสิ่งที่มีอยู่พอใจอะไรอยู่กับสิ่งที่ที่ตัวเองมีอยู่ ยึดถืออะไรอยู่กับสิ่งที่ตนมีอยู่มันเป็นคำถามหมดแล้วพระองค์ต้องตอบเองทั้งสิ้นเลยเมื่อตอบได้ทุกคำโดยที่ไม่มีคำโลเลหลังเลหมดจากความสงสัยพระองค์ยอมที่จะสละและก็ละ ชีวิตของพระองค์เองไปสู่วิถีชีวิตใหม่เรียกว่าสแสวงหาความสุขแท้จริงแต่ไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากกรรมคุณไม่ใช่พระองค์สแสวงหาความสุขที่พ้นจากทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ย แสวงหาความสุขที่ไม่พ้นทุกันต่างกันตรงนี้กี่ปีกี่เดือนกี่พบกี่ชาติพวกเรามีความสุขที่ไม่พ้นทุกย้ำอีกครั้งว่าไม่พ้นทุกแต่วันนั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแสวงหาความสุขที่ไม่กลับมาทุกอีกเลยแต่พระองค์ดูเหมือนจะต้องสูญเสีย อะไรอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างในชีวของพระองค์เองดูเหมือนพระองค์เหลือเพียงร่างกายกับจิตใจและสติปัญญาไม่มีอะไรที่มากกว่าตรงนั้นเลยสิ่งที่ติดตัวมาก็ถอดสลละละสิ่งที่เป็นของภายนอกหมดเป็นการยืนยันในชีวิตของพระองค์ว่าพระองค์รู้ว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ความสุขแท้และก็ลงมือสแสวงหาความจริงที่เรียกว่าสิ่งประเสริฐสุดคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแสวงหาความรู้อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสแสวงหาที่สุดของความเกิดตั้งแต่เริ่มจากความเกิดและความตาย ความแก่และความเจ็บเริ่มสแสวงหาเราจะออกจากสิ่งนี้ด้วยประการใดมันไม่ใช่เป็นแผนที่ที่เดินหาคุมทรัพย์ไม่ใช่แต่มันเป็นแผนใจที่พระองค์จะต้องสแสวงหาหนทางของโลกุตระ ตั้งเดนนั่นมาพระองค์ไม่ได้หลงอยู่กับคำว่าความสบายที่ไม่ผ่นทุกใช้อีกนว่าไม่เกลือนกล้วกับชีวิตที่เป็นอดีตมาแล้วเดินผ่านจากรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่พระองค์ หยุดแล้วก็ยืนดูพิจารณาด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวจิตที่เป็นสมาธิด้วยใจอันแน่วแน่จิตที่ไม่วอกแวกและด้วยสติปัญญาอันทราบชัดรู้แจ้งตามความเป็นจริงนี่ที่บอกปัญญาโล ก, กัสชมิ่งชาคาโรปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพระองค์เริ่มเห็น ในความมืดเพราะมีแสงสว่างปรากฏด้วยปัญญาที่ให้เห็นคำว่าตัวตัณหาตัวอวิชชาโลภโทสะและโมหะจิตนั้นฉะนั้นคนผู้ที่จะภาวนาปฏิบัติจริงๆต้องปฏิบัติให้เหลือกายกับจิตทามากกว่านี้ท่านไปไม่ได้ย้ำอีกครั้งผู้ภาวนา ที่ปรรชนาคุณธรรมชั้นสูงเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆต้องภาวนาให้เหลือกั้วกายกับจิตแล้วย่นยอ่อลงมาอีกให้มีเพียงชีวิตกับธรรมแล้วท่านจะพบกับว่าจิตที่ไม่ข้องเกี่ยวเป็นอิสระเป็นอิสระจากความทุกข์น้อยใหญ่ไม่มีเครื่องผูกถ้าปฏิบัติไม่ถึงตรงนี้ ต่อให้แสนปีแสนพบแสนชาติมันก็ยังไม่ใช่ต่อให้ไม่โกรนหนวดเขายาวเท่าไหร่จะดูขลังยังไงก็ตามดูขลังแบบไหนก็ดีมันก็ไม่พ้นทุกให้ภาวนาเหลือเพียงเหลือเพียงเมื่อกายกับจิตเหลือเพียงกายกับจิตแล้วกําหนดลงไปจนเหลือว่าชีวิตกับธรรมะท่า แล้วท่านจะพบจิตที่เป็นอิสระไม่มีเครื่องผูกเคยได้ยินไหมกระบีไรเงามันไม่มีอะไรถ้ากระบีไรเงานี้มันก็ไม่มีกระบีแล้วเพราะทุกอย่างที่เป็นวัตถุเมื่อถูกสะท้อนแสงมันต้องมีเงาแต่นี่กระบีไรเงา ชีวิตของพวกเราแม้ร่างกายมีเงาแต่จิตใจไม่มีเงาแน่นอนร่างกายพวกเรามีเงาแต่ท่านต้องภาวนาจิตใจไม่มีเงานี่คือยอดผู้ภาวนามันไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนแล้วมันไม่มีเงาความว่างไม่มีเงาแต่ความมียังมีอยู่เงา ความว่างไม่มีทุกข์แต่ความมียังมีทุกข์อยู่เช่นชาตินี้ที่เราเกิดถ้าจะทุกข์ต้องทุกข์แบบมีปัญญาถ้าจะมีการร้องไห้ขึ้นมาต้องรู้จากการพิจารณาในความเสียใจในหยดน้ำตาแม้แต่เสียงสะอื้นถ้าท่านไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าไม่กำหนด และท่านก็ไม่รู้คำว่าเหตุของทุกข์ทุกข์นั้นยังไม่ดับมันเหมือนคลื่นที่จะเกิดอีกลอกใหม่ไม่ดับแต่ามาไปทะเลนั่งเห็นทะเลเคยเห็นทะเลแตมาบอกทำไมทะเลจึงมีคลื่นเคยพูดไปแล้วตอบง่ายๆเพราะมีลมแล้วทำไมจิตต้องมีความโศกเสียใจ เพราะอะไรรู้บ้าเพราะมีตรวจตนทําไมจิตของพระอาหารหันต์ไม่มีความโศกเศร้าเสียใจท่านก็มีชีวิตมีลมหายใจมีความหิวมีความกระหายมีความเจ็บป่วยเหมือนกับเราเราร่างกายท่านไม่ได้พิเศษกว่าเราตรงไหนแต่ความเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่อยู่ที่กาย อยู่ที่จิตไม่มีเงาแล้วสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นตัวตนเงาไม่มีร่างกายมีเงาแต่จิตต้องไม่มีเงาท่านภาวนาะอย่างไรก็ได้รูปแบบแท้จริงขั้นสุดท้ายของวิชาสูงสุดไม่มีรูปแบบมันเป็นปัญญาถ้าภาวนาะแล้วมีรูปแบบบอกบรรลุขั้นสุดท้ายต่มาไม่เชื่อ มันไม่ใช่วิธีที่จะบรรลุได้มันต้องเป็นขั้นสูงสุดคือปัญญาปัญญาปัญญานัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างไม่มีแสงสว่างไหนที่จะมาเสมอหรือมาเสมือน้วยแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีแสงแดดเข้าทำไม่ถึง แต่ปัญญาทะลุธรรได้หมดเข้าไปได้หมดฉันั้นกว่าพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงท่านต้องรู้ว่าความโศมันเกิดที่ไหนถ้าบอกเกิดที่ใจท่านก็ต้องนั่งดูใจท่านเองหาให้เจอค้นให้ทั่วถ้าท่านหาไม่เจอคนไม่ทั่วหรือไม่หาการภาวนา น, นั้น ยากที่จะเรียนให้จบเช่นจิตที่ไรเงาได้ยากดักนั้นพระพุทธเจ้าเราสแสวงหาความสุขแต่มนุษย์สแสวงหาเพียงความสบายแล้วก็เสกสรรปั้นแต่งว่าความสบายนี่แหละคือความสุขแต่มันไม่พ้นทุกข์ที่ตัมมาบอกในเมื่อไม่พ้นทุก พวกเราจะบอกเป็นความสุขแท้เนี่ยคงไม่ใช่ปัญญาของปราชาทิปนิดไม่ใช่แต่ความสุขขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปราศจากกลิน่นปราศจากเสียงปราศจากรสปราศจากการสัมผัสปราศจากจิตถูกต้องอารมณ์ถ้าเป็นน้ํา ก็เป็นน้ํากลั่นที่บริสุทธิ์ที่อยู่คู่ชีวิตธรรมาเคยยกเรื่องเราจะกินอะไรจะปรุงอะไรรสเค็มหวานเผ็ดน้าหวานน้าอะไรก็ตามสุดท้ายท่านต้องเอาน้ําธรรมดาเนี่ยล้างคอไม่งั้นท่านอยู่ไม่เป็นสุขโอ้ยกินอะไรเสร็จน้าหวานสุดท้ายต้องเอาน้ําธรรมดา ที่บริสุทธิ์ดื่มเข้าไปรู้สึกว่ามันจบแต่ถ้ายังไม่ดื่มน้ำธรรมดาที่สะอาดบริสุทธิ์ดูมว่าการทานอาหารยังไม่สิ้นสุดแล้วท่านดูว่าจริงไหมมันไม่จบแล้วถ้าท่านผู้ภาวนากินแดน่น้ำที่ปรุงแต่งมากจะตายเร็วจะตายเร็วเร็วกว่ากำหนด ไตทำงานหนักเกินมันต้องกรองทุกอย่างไม่ว่าจะหวานหรือจะเข็มโดยเราไม่กินน้ำเรากินเฉพาะน้ำหวานน้ำอะไรทุกอย่างไม่เอาน้ำธรรมดาดื่มเข้าไปนับจากวันนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้าท่านจะเป็นคนที่ไม่ปกติสักเท่าไหร่ในสุขภาพหรืออาจจะตายไปแล้วแสดงว่า ไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจดูเหมือนถ้าเราพิจารณาก็ความต้องการใกล้เคียงกันจิตใจก็ไม่ต้องการอะไรที่มันไปบีบคั้นมันมากเกินหรือไปปรุงแต่งมันมากไปที่เขาบอกคนเป็นโรคจิตโรคจิตก็เพราะนี่แหละมันปรุงแต่งจนไม่รู้จักคำว่าหยุดสงบ ว่างหรือแม้แต่กับเม้าว่างเมื่อท่านไม่มีให้กับจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็อึดอัด ก, กระสรับกระส่ายกระวนกระวายสุดท้ายคำสุดท้ายคือทุรนทุรายเย็นนึกว่าท่านไม่เคยเป็นนะเป็นทุรนทุรายจังจิตใจนอนกระสรับกระส่ายกระเสือกกระสน บางทีเหมือนโลกจะแตกสมองจะแตกเส้นประสาทจะแตกท่านกำลังฆ่าตัวเองก่อนวัยอันสมควรยังไม่รู้กันอีกนะยังไม่รู้ท่านยังไม่รู้กำลังฆ่าตัวเองกำลังเร่งอายุให้สั้นกำลังทำลายสุขภาพให้สุดโทมท่านกำลังสร้างเชื้โรคขึ้นมา สร้างภาวะแห่งจิตใจที่มันไม่เป็นปกติไปสร้างทำไมนึกหรือว่าเราอยู่ได้นานชีวิตมันยาวมากเกินที่จะมาใช้ชีวิตแบบไม่มีศิลปะไม่มีความอ่อนช้อยไม่มีความนุ่มนวลไม่มีความสดใสปลอดปโปรง่งมันผิดมันผิดท่านทำผิดต่อตัวเอง ในเมื่อท่านไม่เคารพคนอื่นตรงนี้ยังพออภัยได้ส่วนหนึ่งแต่ท่านต้องเคารพตัวเองเมื่อท่านไม่เคารพตัวเองมันก็จะทำลายตัวเองเหมือนตั้งระเบิดเวลาให้กับชีวิตตัวเองแล้วใครก็ปลดชนวนให้ไม่ได้ปลดไม่ได้เพราะมันตั้งจากอารมณ์ถ้าจะดับมันได้ต้องดับอารมณ์ ในเมื่ท่านไม่รู้วิธีดับมันจะเป็นมวลสารก่อให้เกิดโทษทุกเรื่องทำไมไม่ทำจิตให้มันไรเงาบ้างให้ร่างกายมีเงาพอแล้วลองเอาไปเทียบเปรียบและเราจะเข้าใจมองพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเดินออกมาแสวงหาโมกขธรรม ทำที่จะนำไปสู่ความออกไปจากเทวทูต ท, ทั้งสี่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วดูสมณสัพสมบัติทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้เราพ้นจากภาวะหรือพบอย่างนี้ได้พระองค์จึงต้องสแสวงหาจิตที่ไม่มีทุกข์และทุกข์ที่มีด้วยความไม่ยึดมั่น เป็นทุกข์ที่เกิดแล้วก็ดับใครทำได้บรรลุไม่ต้องใช้หลักวิชามาเหมือนมีครั้งหนึ่งพิสุก็ดูเหมือนจะปฏิบัติไม่ได้ทำวินัยมันมากเลือเกินตนไม่มีความสุขรู้สึกไม่อิสระแนหะอยากจะสึกพู้เจ้าก็เลยรับสั่งแล้วก็ถามว่า พิสุเธอรักษาจิตของเธอได้ไหมได้พระเจ้าค่ะ น, นั้นเธอรักษาจิตดวงเดียวพอละโล่งเลยพิสุไปแบกวินัยเอาไว้ทุกและทุกไปอีกทีจริงวินัยก็มีเพื่อปรามผู้ที่มักมากปรามผู้ที่กักขะปรามผู้ที่ ไม่เรียบร้อยแต่จริงๆการบรรลุมันคือธรรมะเพราะธรรมะเกิดตั้งแต่เริ่มแล้วก็มีผู้บรรลุวินัยก็บรญยัติเมื่อพิสุจน์บิณฑูคณกลุมก้อนใหญ่ขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเป็นเจกกันที่จับดอกไม้ต่างสีต่างกลิ่นต่างพันมา แล้วก็ตัดใจก็มารวมกันเข้าในเจกัดมันก็เป็นกฎอย่างหมู่มากอยู่ที่ไหนกฎเกณฑ์ก็ต้องมีที่นั่นเมื่อไม่มีหมู่นนะหลืออยู่คนเดียวสองคนกฎเกณฑ์ก็เหมือนกับไม่ต้องมีทํายังไงให้อยู่รอดชีวิตก็ไม่ต้องเบียดเบียนอะไรกันแล้วอยู่กันคนสองคน พอเราปฏิบัติพิสุขเข้าใจรักษาจิตดวงเดียวเบาเลยตอนนั้นก็ทุกข์เลยเดี๋ยวอาจารย์อภิธรรมก็มาบอกสอนจนเต็มหัวหมดแล้วมาฝ่ายพระวินัยก็สอนจนเต็มหัวไปอีกรู้สึกว่าตนไม่อิจาราเลยบวชมาอยู่ไม่ได้แล้ว สึกดีกว่าเพราะก่อนนั้นตนเคยมิสละมากกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าบอกรักษาจิตดวงเดียวทำได้ไหมบอกทำได้จบจน้นพวกเราเนี่ยการปฏิบัติก่อนๆ น, นั้นตามาเองก็เป็นผู้ร้อนใจเหมือนกันเร่งเร่งรีบเอามรรคผลนิพพานให้ได้ในชาติเนี้ย กลัวไม่ทันพอเราปฏิบัติไปถึงจุดจริงๆที่เป็นธรรมะสุดท้ายมันเป็นเพียงคำว่าจิตให้รู้จักคำว่าละแล้วว่างให้รู้จักคำว่าละแล้วก็ว่างแล้วว่างจากอารมณ์น้อยใหญ่ที่ตนรับเข้ามาหรือปรุงแต่งออกไป มีปัญญานั่งดูจิตนี่นะตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนจิตใจเรามันก็คล้ายๆกับร้านขายกาแฟลูกค้าก็มาเยอะมาทางตาหูจมูกลิ้นก็แล้วแต่นะมาถึงการสั่งอ่แปะแปะบอกว่ายังไงวันนี้จะ อ, อะไรเอาโอวังติองแปะก็ชงมันโอวังติงอีกคนหนึงก็มาอะแปะ ไปเอาอะไรเอาโกปิโอโกปีอว่าไปชงไม่ต้องใส่นมใส่เทน้ำตาลโกปโอวามันคนบอกเอาโอเรียงนะ่ะไอ้แปะก็ชงอีกคนบอกเอาโอเยอะลูกค้าสั่งไม่ทันใจบอกเร็วเร็วหน่อยคนชงก็มือสั่นแล้วสั่นอีกน้ำก็เดือดผึดผุดผจิตก็เหมือนตัวชงนั่นแหละ ถ้าเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันในเหตุการณ์ในสิ่งที่เกิดที่มีที่ปรากฏที่เป็นอยู่ในขณะปะัจจุบันเราก็จะชงตามเขาบอกจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรที่มันมากเกินต้องมีวิจญญาณไม่ใช่ใครเคาะประตูก็เปิดให้เข้ามา ใครเคาะประตูก็บอกเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ท่านต้องรู้สึกว่าจิตนี้เป็นเขตห่วงห้ามนี่ติดป้ายเลยห้ามเข้าไม่ใช่ร้านกาแฟมาโกปิโอโกบิอไม่ใช่ไม่ต้องโกยัวโอแยะไม่ต้องไม่ต้องเพราะเคาะประตูบอกว่าไม่เปิดวันนี้ร้านกาแฟปิดไม่ชง ไม่ชงเลยจะมาเป็นโอเลียงโอย้ยอัวก็ไม่ชงให้ลึกว่าชงกินเองพอแล้วแค่ปรุงแต่งกับความคิดที่จะทำนึกคิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังพอสมควรแล้วพอเคาะประตูไม่เปิดวันนี้ร้านปิดปิดใครมาเคาะทางตาหูจะหมุนล่านกายของเราไม่เปิด ร้านปิดไม่ชงวันนี้ปิดกิจการแล้วเลิกชงสบายกระหายหน่อยก็ชงกินเองได้ไม่เป็นไรนานๆครั้งมันเป็นธรรมดาจิตก็ต้องมีบ้างเรื่องการปรุงการแต่งแต่ต้องมีปัญญาถ้าเป็นปุญญาพิสังขารปรุงจิตในเรื่องของกุศล ม, มันก็น่าปรุงนะ เออวันนี้เราจะไปสอดกฐินถอดผ้าป่ า, ปาเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะไปฟังธรรมเราจะไปภาวนาเราจะไปสร้างกุศลเราจะไปให้ทานเราจะไปช่วยเออมันดีนะมันดีชงและชื่นใจให้ชงและใจนี้เขียวขนคิ้วนี่ตกมาสามนิ้วปิดตาดำหมดแล้ว ไม่ไหวฉะนั้นผู้ภาวนาเราต้องรักษาใจให้เป็นถ้ารักษาใจไม่เป็นถึงท่านท่องพระไตรปิฎกได้ครบหมดก็ยังชื่อว่าผู้ไร้ธรรมเพราะเราไม่สามารถรักษาจิตเลยและธรรมะมันไปอยู่กับสัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาอย่างสมมุติมาบอกเอาพวกเราเก่งสูตรคูนกันสมัยก่อนๆครูอาจารย์ก็สอนพอตกเย็นก่อนที่จะเลิกเรียนก็มีการท่องสูตรคูนความจำก็ท่องกันพอเราท่องได้หมดแล้ว2องหนึ่งองงสี่ซองหกซองสี่แปดจนถึงแม่คูนสิบสองสิบซองซองเราก็ท่องได้หมด แต่ถามเมื่อท่องได้แล้วพอเจอชีวิตจริงใช้เป็นไหมใช้เป็นไหมละ่ะถ้าไม่งั้นก็บอกท่องเป็นนกแก้วนกกุนทองคือไม่รู้ภาษาไม่รู้คว า, ามาาหมายท่องไปแต่พอถึงเวลาที่จะใช้เนี่ยใช้เป็นไหมเหมือนธรรมะที่พวกเราเรียนมารู้มาพอถึงเวลาเนี่ยรักษาจิตเป็นไหม มันเป็นคำที่ไม่ยากและไม่ง่ายรักษาจิตเป็นไหมรู้จักไมว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรรู้จักไหมคําว่าความซื่อสัตย์คืออะไรรู้จักไหมคําว่าสัจจะคืออะไรรู้ไมคําว่าศีนที่เราสมทานเป็นอย่างไรลงมือปฏิบัติให้ศีลเกิดทำสัจจะให้เกิดขึ้นในใจ จะไปคิดคดไม่ได้มันต้องมีมโนธรรมอยู่ในหัวจิตหัวใจตลอดบทที่จะได้เกิอนก็มาเราต้องไม่เอานะไปบอกเขาว่าเกินและคืนก็ไม่เอาเดีย๋ยวว่าจะโกงเลยบางทีเหยื่อเข้าปากแล้วก็ยังคลายนะคลายออกมา ไม่ใช่โง่แต่ซื่อสัตย์แล้วการเอาตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าฉลาดเพราะไม่สัตว์ซื่อถ้าเขารู้ทีหลังเราจะเสียหายชีวิตตัวเองเหมือนเขาขาดความเชื่อถือแต่มาเคยบอกคนนี้ซื้อพัน0 0ง0ัหมื่นสงห่ไม่แพงเราได้รู้รู้จิตใจรู้ถึงนิสัยไม่แพง ถ้าเขาเข้าใกล้ก่นนี้เราอาจจะหมดมากกว่านี้เมื่อเราเชื่อเขามากกว่านี้ขอบใจคนนี้ซื้อแค่สองพันไม่แพงเราจะมาเคยซื้อคนไว้หลายคนไม่แพงซื้อคนพันสองพันสี่ห้าพันไม่แพงบางคนคุณธรรมมีแค่ระดับเงินพันเงินร้อยเงินหมื่นพอเจอเงินแสนคุณธรรมเอาไม่อยู่ บางคนมีระดับถึงเงินแสนเพราะขึ้นเจ็ดหลักคุณธรรมเอาไม่อยู่ไม่ซื่อตรงไม่สัตว์ซื่อเหตุผลแห่งชีวิตที่จะต้องอยากได้ความสบายมันมีมากกว่าคำว่าสีคำว่าทับ ค, คำว่าความซื่อสัตย์หรือสุจริตท่านขายวิญญาณแล้วใครไม่รู้วิญญาณที่ดีมันรู้ เราขายวิญญาณแล้วเพียงเงินหนึ่งล้านสองล้านสามล้านก็แล้วแต่หรือเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันท่านขายวิญญาณท่านแล้วใจเดินเอาไปรู้เลยแม้กำใบยี่สิบก็รู้เอาเข้ามาเช่นทำอย่างไรเราจะรักษาใจว่านี่แหละคือความซื่อสัตย์ นี่แหละใจที่เรามีคุณธรรมอยู่เรารักษาอยู่จึงบอกรักษาจิตตัวเดียวใจตัวเดียวถ้ารักษาได้ใครจะใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรท่านไม่เป็นไปตามที่คนเขาพูดแต่ท่านจะเป็นไปตามใจที่ท่านเป็นอยู่คือท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต ฉะนั้นผู้ภาวนาใจของท่านทําให้มีศีลทําให้มีธรรมะโดยเฉพาะมโนธรรมทิ้งไม่ได้พื้นฐานคือความกตัญญูอาจะมาจะดูคนดีคนเลวเริ่มจากดูความกตัญญูก่อนคนไม่รู้คุณของคนคนนั้นดีไม่ได้น่ากลัวนะถ้าคนไม่รู้จากันว่า บุญคุณของคนแล้ว น, ะน่ากลัวเข้าใกล้เรามากเท่าไหร่วันหนึ่งเมื่อเขาเห็นผลประโยชน์เขาทำได้ทุกอย่างมือว่ามีคนเสนอผลประโยชน์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ทำลายอีกฝนะ่ายนึงแต่ถ้ามีพื้นฐานแห่งมนธษ ร, รมคือความกระตันยูนะถึงผิดพลาดบางเรื่องบางอย่าง แต่เมื่อโอกาสที่เขาจะกลับตัวได้เขาจะกลับตัวเพราะเขาไม่ได้เลวจากสันดาษคนเราผิดกันได้ไม่มีใครหรอกไม่ผิดโยมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษพระอาตมาหรือใครก็ไม่ใช่ผู้วิเศษพวกเราเคยผ่านฟ้าผ่านนรกมาทั้งนั้นนยโยมจึงไม่ควรจะหลงตัวเองแต่มาเรื่องหลงตัวเองหลงไม่คิดเลยไม่คิด จะหลงไปทำใหม่ชีวิตจะดีก็ดีเป็นเป็นหลงความดีทำไมเราทำประโยชน์ให้กับผู้คนในพึงพาอาศัยนะก็เป็นเพียงความสุขสุขใจที่เราได้เอออย่างน้อยเกิดมาก็ได้มีคุณค่ากับเขาบ้างเพราะใบไม้ร่วงมันยังกลับมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นนั้นได้ ชีวิตของเราพ่อแม่เกิดมาให้ชีวิตของเราทำไมเรามาทำประโยชน์ให้กับพ่อแม่เราบ้างหรือครอบครัวหรือในประเทศชาติที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในแผ่นดินทำไมเราจะตอบแทนคุณไม่ได้ต้องมีคุณธรรมของผู้ปฏิบัติท่านต้องรู้จักคุณใครให้น้ำใครให้ข้าวใครให้ที่อยู่ ใครเป็นผู้ที่ให้ชี้ทางปัญญาชี้ของเราถึงท่านไม่ตอบแทนคุณแต่ท่านต้องไม่เนรคุตคือไม่ทำลายหรือให้ร้ายบุคคลเหล่านั้นเพราะงั้นเขาจบว่าอะไรที่บขีรถรังคากนะินบนเรือนขี่รถบนรังคาไม่ดีแล้วเราก็ไม่เจริญสุดท้ายคุณธรรมต่อมา เมื่อท่านผ่านจากการรู้จักคุณแล้วนะคุณธรรมของท่านก็คือการที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นท่านทั้งที่คนนั้นไม่มีบุญคุณกับเราหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ต้องมีปัญญาไม่ใช่คนนี้เมาตินยามาเดินมาสงสารจังเลยเอาไปชักพันไปซื้อยาเสพไป สงสารมันมันเสี้ยนเต็มเต็มแก่แลไม่ใช่แล้วแม่คนนี้สงสารซื้อเหล้าเลี้ยงเนาพอมอได้ที่ก็ฆ่าเราทันทีโง่ น, นะนะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่เมตตาไม่ใช่ต้องมีปัญญา คนนี้เราไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเบียดเบียนเขาเรามีคุณธรรมคือเมตตาไม่คิดเบียดเบียนกันอยู่กันเถอะมีสมณะฉันกันมีความสุข ถ้าพวกเราอยู่กันเป็นนะโอ้ความสุขไม่ต้องไปขอจากสัตว์หรอกพวกเราไม่เบียดเบียนกันก็เป็นความสุขขั้นพื้นฐานในขั้นของคุณธรรมอัพญาปัจ ช, ชางสุขขังโลกเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอยู่แนละแต่ถ้าเบียดเบียนกันละ่ะ มันก็มีโทษมีภัยหมดคนเบียดเบียนก็ไม่ได้อะไรคนถูกเบียดเบียนก็ไม่ได้อะไรมานมันหัวเราะใหญ่เลยพวกเราตกไปอยู่ใต้อำนาจของมานมันก็ดีใจใหญ่หลงกลเขาแล้วฉะน้นคุณธรรมของผู้ภาวนา เราจะดูต่อคืนหนึ่งผู้มีคุณธรรมคือรู้จักคุดบุญคุณเมื่อมีโอกาสทดแทนทดแทนทดแทนแล้วความเมตตาก็เป็นคุณธรรมของผู้ภาวนาจิตจะได้ไม่ร้อน เอาคนขันเมตตาจิตจะร้อนโยมสังเกตดูตัวโยมเองด้วกันเป็นคนเย็นหรือคนร้อนโยมดูบางคนเสดุดคำเดียวโหเต้นยิ่งกว่าถูกลูกระทัดจุดเต้นแต่เวลาด่าว่าคนอื่นโอหเป็นร้อยเป็นเป็นพันคำแมมีความสุขนั่งองยิง ดูเนนั่งอมยิม้มสุขจังเลยได้ด่าเห็นไหมมันไม่ใช่หรอกความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเละเลือนหรือเปล่าพอโดนคนอื่นเขาด่าเขาให้ร้ายหรือเขาดินทาจริงไม่จริง ไ, ม, ไม่รู้ เดือดผุดพุดพุดมึงว่ากูไแต่ที่กูว่ามึงนั่งอมยิ้มขำยมขำไอย่าไปขำนะไม่ใช่เรื่องสนุกเวลาที่เหลืออยู่เนะ่มันน้อยโยมอะไรสาระไรสาระอย่างนี้มันไม่ใช่ ฉันตมาบอกว่าการภาวนาที่สุดให้กำหนดเหลือเพียงกายกับจิตแล้วย่นยอ่อลงมาให้เหลือเพียงชีวิตกับธรรมะชีวิตกับธรรมะลมหายใจกับธรรมะกินกับธรรมะนอนกับธรรมะคิดแบบธรรมะทำอะไรแบบมีธรรมะ ได้ยมจะเห็นจิตจริงๆเห็นนั่งเกศาโลมานะคะทันต์ตาเจตาเจทันตน์นาคโลมาเกศาเห็นหมดขมผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นโดยความไม่เที่ยงก็ได้เห็นโดยสภาพที่เป็นทุกข์ก็ได้ทนอยู่ไม่ได้เห็นโดยสภาพความว่างเปล่าก็ได้สุดท้ายก็แตกดัาง มีการวิลายอยู่ในช่วระยะหนึ่งขนาดหนึ่งเหมือนหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้าพอถูกแสงทอลงมาหยดน้ำนั้นก็หายไปเพราะเออมีชีวิตอยู่กับธรรมะไม่ใช่อยู่กับตัวกูของกูตัวตนนี่ถึงเวลาที่เราต้อง อบรมจิตตะภาวนาและให้เป็นวางให้ได้จิตก็จะว่างไม่ใช่ว่างจากสิ่งที่ไม่เห็นว่างจากความมั่นหมายชีวิตที่มีดำเนินต่อลมหายใจที่มีหายใจต่อก็เท่านั้นพอยิ่งเข้าใจ ในที่สุดแห่งทําแล้วนะตัวเองไม่ทะเลาะกับตัวเองแล้วนะนี่ทุกวันนี้พวกเรายังทะเลาะกับตัวเราเองอยู่นะเชื่อไหมละ่ะอย่าว่าสองคนนะตัวเราเองเนี่ยนะยังนั่งทะเลาะกับตัวเราเองเลยจะดีจะเลวดีในวันนี้ต่อสู้กันอยู่นะ่นเนี่ย ใจหนึ่งก็บอกอะฉันจะเป็นคนดีนะไอตัวเรียวบอกฉันไม่ยอมหรอกฉันเลียวมาตั้งนานแล้วไอไอตัวดีก็บอกอย่าเลยดีจัีบ้างเธอเรื่องอะไรฉันก็พอใจของฉันแบบเร็วๆนี่แหละสไตล์ของฉันเบิร์ดเบิดเดงี้ยเชื่อมาเะยหรอเชื่อแหละ นั่นมันมานมันคอยสิงเราอยู่ตัมมาภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งก็มมาพอรู้ ธ, ธรรมะวันาำบอกมานหยุดเถอะเจ้าเดินกับเรามานานแล้วเราเห็นท่านแล้วออกมาเถอะเราเห็นท่านแล้วไม่ต้องซ่อนออกมาเรารู้จักทัดมานผู้ใจอยากมานผู้มีบาปหยุดเถอะ ท่านสิงใจเราไม่ได้อีกแล้วยมไม่ใช่คนชั่วรู้เปล่าใครว่ายมเลวตมาบอกมันเป็นนิสัยที่เลวเท่านั้นเองคือการกระทําแต่ตัวยมเองไม่ชั่วรอไม่ชั่ว ตัวคนมันไม่ชั่วหรอกแต่ว่าการกระทำในพฤติกรรมในวิบากกรรมตรงนั้นอาจจะเป็นอกุศลหรือเป็นกรรมไม่ดีที่เราทำนั่นแหละคือความวาชั่วแต่ตัวโยมไม่ชั่วแตมาไม่เห็นใครชั่วเลยไม่ชั่วคนทะเลาะกันบอกเลิกทะเลาะกันเรื่องมันก็จบ มันก็ไม่เข็นค่ากันเช่นมันอยู่ที่ว่าจิตใจตรงนั้นว่าเออเรารู้ทันต่อมานแค่ไหนถ้ารู้ไม่ทันความโลภ ม, มันก็นำไปสู่การเข็นค่าการเย่งชิงก็นำไปสู่การเข็นค่าการต้องการเป็นหนึ่งก็นำไปสู่ความวิบัติไม่เห็นได้อะไรต่อมาา ไอความวิจฉาที่จะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่ใช่กีฬานะถ้ากีฬาเนี่ยต้องเป็นหนึ่งมันได้รางวัลเยอะนะยิ่งเป็นโอลิมปิกด้วยเนี่ยแม่รวยนะอย่างนั้นมันน่าแข่งมันต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องมุมมันนะต้องชนะเธอให้ได้สักวันหนึ่งจะต้องมีวันของฉันเออแต่มาว่ามันเป็นแรงดนใจ แต่เอรงอิจฉาลิษาเนี่ยที่ไปทำลายอีกฝ่ายที่คนเ็าดีอยู่กูต้องทำลายมึงไงชิบหายได้ตายเลยยมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มึงอย่านึกนะว่ามึงจะมีความสุขได้ตราบใดยังมีชีวิตกูอยู่ตายแลยยมพวกนี้ไม่ได้คนปฏิบัติห้ามเลยเขาดียงนั่งบะนมือสาธุนี่นักปฏิบัติมันต้องเลื่อดเย็นที่เป็นกูศล ไม่ใช่เราไปเอาชนะแบบเอาตัวตนเอาชนะกันแบบศาสตราเอาชนะกันแบบการให้ร้ายกันน่มันเป็นการจองเวรกันนะเป็นการสร้างเวรตมาไม่เห็นด้วยไม่เอาเขาดีก็สาธุก็เท่านั้นแหละโอ้โหดีตมาเคยบอก ใครที่เขารวยนะยกมือเลยสาธุเออเองรวยกว่าข้าดีแล้วเองไม่ต้องมายืมเงินข้าอีกต่อไปไอ้นี่มันจนกว่าเนี่ยยังห น, หนาวทนร้อนมันดีขึ้นดีเดินมาหน้าไม่ย้มเลยทำท่าเซมาอีกเพรออาะอาปากมีตังไม <c oughs> ขอยืมหน่อยเพื่อนอย่างนี้จะมาว่าให้ คนที่เราว่าให้มันรวยดีกว่านะโยมไม่ต้องอิจฉาเขาสบายสบายฉะนั้นจิตใจของผู้ภาวนาเนะี่ยเราอยากให้คนมีความสุขดีกว่าโยมเชื่ออรตามาเถอะคนที่เขาเราไปสร้างบรรไห้คนอื่นเขามันไม่มีอะไรดีตัวเราก็ไม่ได้อะไร ไอ้ก็ว่าความสะใจมันไม่มีอะไรเลยตา ม, มาตดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นรางวัลให้กับตัวเราสุดท้ายก็คือเพียงเห็นผู้อื่นเขาพินาทไปแล้วตัวเองรู้สึกสบายกตนมาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าวกกลับมาถ้าเขาทำเราเหมือนที่เราทำเขาล่ะถ้ามีคนเ็าคิดเบียดเบียนเราเนี่ย ยมนอนหลับไหมเป็นสุขไหมมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเรามีเมตตาต่อกันเห็นไหมสบายเจอกันก็ช่วยเหลือกันได้ยกของมาหนาักๆโอ้โหเห็นแล้วรีบวิ่งไปช่วยยกเลยแม่ถ้าเธอไม่ช่วยฉันแล้วแย่เลยนะลเนี่ยเพราะฉันมีของฝากมาด้วยไอ้คนที่ถือก็ยินไปด้วยนมมันน่าอยู่ออกโลกใบนี้ ถ้าเราอยู่เป็นนะแต่ถ้าอยู่ไม่เป็นไอ้นู้นถือมนะันหนักแหมมันรวยสิตัวที่มันซื้อของมาแหมมันจะทับตัวเองตายเนี่ยทําไมไปมองอย่างนั้นนะใจเราไม่ดีก็เลยมองอะไรไม่ดีไม่ดีพอซื้อของของเสีย ม, มาสมดําหน้ามันตาทัวเนี่ยเห็นว่าเออ สงสารเนาะเธอเนาะซื้อของแม้ไม่ค้ามันยังอุตส่าห์มาหลอกขายเออร้านไหนนะบอกฉันฉันก็จะไม่ซื้อด้วยให้เราไปสาตรใจแหม่ซื้อของเสียมานี่มันตาถั่วมถ้าอยู่กันแบบรักใคร่กันกลมเกลียวกันน่าอยู่มีความสุขมีความสุข ต่มามบอกละว่าสกาสแท้จริงของชีวิตคือความจริงใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่าคําว่าความจริงใจเท่านั้นแหละเป็นคําเดียวที่คบได้ทั้งชีวิตเลยคําว่าความจริงใจพอแล้วพอแล้วมันมันมากมายเกินที่จะเอาคําอื่นมาพูดแล ที่นั้นโยมเราต้องมีคำนี้นความจริงใจละก็สมควรเวลาในการฟังธรรมขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ